ท่านผู้ที่สนใจฝ่ในศีลในธรรมทุกๆ ท, ท่านเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปก็จะน้อมนำเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกขึ้นมาบรรยายขายายฟาิยม เพื่อเป็นแนวทางของการศึกษาและสัมมาปฏิบัติเป็นลำดับสืบต่อไปก็จะพูดในหัวข้อเรื่องปารมีสามสบทัศน์เนี่ยนะทานปารมีก็ พูดมาแล้วศีลบา ร, รมีก็พูดมาแล้วเนคขมะบา ร, รมีก็พูดมาแล้วปัญญาบา ร, รมีก็พูดมาแล้ววันนี้จะพูดเรื่องวิริยะบา ร, รมี วิทยะหมายถึงความขยันหมั่นเพียรสมดังธรรมาภาสิทธววิธีเยนทุกขมัจเจติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรอาศัยความเพียรขยันอย่างนักบวชนักปฏิบัติต้องขยัน ขยันภาวนาเชา้าสายบ่ายค่ำยกเพ้นแต่ท่านผู้ที่มีจิตอันควรทมถ้าเราไม่มีจิตอันควรทมเราก็ควรใช้จิตนี้เป็นการภาวนาหน้าห้องก็ได้ในห้องก็ได้นั่งภาวนาในอากาศดี หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนภาวนาพระใหม่พระเก่าก็เหมือนกันต้องท่องหนั ง, งสือสวดมนต์เนี่ยมันได้เจ็ดตำนานสิบสองตำนานธรรมนิยามธรรมจักเนี่ยต้องให้มันได้เพราะมันใช้กันบ่อยเดี๋ยวนี้นะ สวดธรรมนียมก็คือสวดงานศพพระหรืองานศพท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข า, เาไว้หลายวันธรรมาจักนี่ก็เป็นหน้าที่เยหน้าที่ที่จะต้องท่องเลยล่ะ ว่เมสุตังเอกังสบัยยังพระกวาภารานาสิยังอิสิปะตะัตเนมิกทตายยอนุตรังธรรมะจักกังประวัติตังอปปติวัตติยังคือท่องท่องวันละแถวเค่นั้นแหละสิบวันก็สิบแถวเดือนหนึ่งก็30 ส, สบแถวจบแต่ต้องตั้งใจนะ ตั้งสัจจะอธิษฐานนะไม่ใช่คิดว่าจะท่องไม่มีทางตั้งแต่บัดนี้ต่อไปข้าพเจ้าจะท่องบท ธ, ธรรมจัก ข, ขอวันละหนึ่งแถวเลิ่มนตั้งแต่เช้ามืดเลยบินตะตก็ท่องได้จดใส่กระดาษไปแถวนึงเดินบินตะตก็เดินท่องไปด้วยท่องในใจนะ จนกลับมาก็ท่องมาในรถนะจะไปคุยกันนะห้ามคุยในรถนอกบนรถให้ท่องหนังสือท่องในใจแล้วก็จะได้ลองเชื่อผมดิสักเดือนเดียวได้แน่นอนธรรมจักร ธรรมนิยามก็เหมือนกันได้แต่ต้องจริงๆนะอธิษฐานจิตเลยมันได้หมดอะเราอาศัยอะไรอาศัยความเพียร น, นี่แหละคนเราธรรมชาติให้มานะวันคืน24ชั่วโมงอะใน24ชั่วโมงเราจะใช้เวลาไปทำอะไรบ้าง เราต้องแบ่งเวลามาให้ธรรมะบ้างอย่าไปแบ่งเวลาไปในทางอื่นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราในทางอื่นเนี่ยนะหน้าที่ของพวกเราก็คือคัน ธ, ธุระนี่แหละแล้วก็วิปัสนาธุระนี่แหละสองธุระเนี่ยผมเติมให้อีกธุระหนึ่งรับภะธุระ คือทำตัวเองให้เป็นพระพระแทะๆ้ๆอย่าพยายามเป็นพระเทียมพยายามเป็นพระแทะๆ้ๆให้ศรัทธาญาติโยมชาวพุทธเขาพึงได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าวางไว้นะหนึ่งเพียน ระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในชีวิตของการบวชจะเป็นบวชพระบวชชีบวชบวอะไรก็แล้วแต่คําว่าบวชหมายถึงหยุดหยุดทําความชั่วทั้งปวงให้ทําความดีถึงพร้อมให้จําระรางจิตใจขาวรอบนี่คือเป้าหมายหลักๆของคําว่าบวชบวชบวช ด, ดีหนีโง่ไง เรามาอยู่วัดเอาจะจะดีได้ฟังธรรมะขัดเกลาทุเช้าคำ่ำอยู่บ้านเราก็ฟังได้แต่เราก็ไม่ค่อยฟังเหมือนกับวันนิสัยเรามันติดบ้านๆ้่ะก็ชอบอยู่แบบบ้านๆอะ่ะเบิดเบดิสบายสบายแต่ถ้ามาบวชมาอยู่วัดเขามันจะไปอย่างนั้นไม่ได้ มันต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคุ้นชินของจิตเราอของใจเราเราจะไปคิดเหมือนตอนเป็นคราวาสไม่ได้เพราะตอนนี้เราไม่ใช่เป็นคราวาสเราเป็นนักบวชทั้งพระทั้งโยมมาแหละเพียรระวัง อยให้บาปเกิดขึ้นในสันดานสามภาวนาประทานเพียรภาวนาบ่อยๆ ย, ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยขณะที่เราบวชเนี่ยเราไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วนอกจากงานด้านพระพุทธศาสนาที่เราช่วยกันทำอยู่เนี่ย ในนอกนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งเราไม่ควรไปใส่ใจอะไรมากนักเรื่องนอกแนวนอกพุทธศาสนานะปล่อยมาในแนวพุทธศาสนาพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ตื่นเบิกบานอยู่เสมอเราตายไปเมื่อไหร่ก็นอนตาหลับ อยู่เขาก็าคิดถึงตายไปเขาก็ายิ่งคิดถึงใหญ่เช่นครูบาอาจารย์บางรูปบางองค์ที่ท่านบรณาภาพไปแล้วเนะี่ยมีแต่คนบ่นคิดถึงคิดถึงหลวงพ่อยางนั้นอย่างนี้นนเช่นหลวงพ่อวิชัยเข็มม่โยวัดธรรมปาจมเป็นต้นมาตอนนี้ก็เตรียมกันแล้วนะ ทำแบบง่ายๆก่ออิดขึ้นมาเป็นเชิงตะกอนแล้วก็ฟืนใส่เข้าไปในนั้นแล้วก็เอาโลงวางบนนั้น ấy, บนเชิงตะกอนอันนี้น ấy, ก็ต้องเผาแบบนั้น ấy, พระป่าพระสายป่าเนี่ยไม่ต้องไปมีวิธีดีตองอะไรมากมายหรอกเผาแบบไหนมันก็เป็นกระดูกเป็นขี้เท่าเหมือนกันหมดแหละ เขาแบบประหยัดไม่ดีกว่าประหยัดเงินไว้ให้คนยากคนจนคนที่ด้อยโอกาสเขาได้ใช้ให้มีชีวิตดีดีขึ้นไม่ดีอว่าดีกว่าไปใช้แบบพุ่มเฟยจนเกินเหตุเกินเกินไปอบางรูปบางท่านบางองค์นะ เอาพอดีพอดีถ้าเป็นโยมก็ใส่เมนไปเลยเนหะ็นไหมง่ายดีไหมนะ่เสียค่าเมนทีละห้าสิบบาทยรืไงเนะี่ยไม่ยากใส่เข้าไปก็ฟื้นใส่เข้าไปน้ำมันลาดเข้าไปไฟมันก็ไหมแล้วนะนะั่นแหละมันจะไปเหลือเมืองไทยนี่ดีนะที่เบรเขาไม่เผาเนาะเขาสบไปทิ้งอย่างนั้นอนะ แล้วเขาก็แถเนื้อเหมือนเนื้อวัวเนื้อควายกันอะให้อีแรงกินเห็นไหมล่ะเออจะว่าเขาไม่ดีไงที่เบียดเขาดีนะเขาก็ทำถูกอะดีกว่าไปเผาเนื้อทิ้งเป็นอาหารของสัตว์อีแรงลงพึบเลยล่ะโอ้โหดูเขาถ่ายวิดีโอมาเป็นสารคดีนะ มีประเทศไทยเนี่ยเผาผีแพงที่สุดอะไรก็ประเพณีประเพณีกไอประเพณีนี่เน่ที่มันทำให้เราอยากจนทุกวันเนี่ยบางอย่างบางสิ่งบางอย่างนะไอที่ดีก็มีไม่ใช่ไม่มีไอที่ดีแล้วก็รักษาไว้ไอที่มันเกินไปแล้วก็ตัดออกบ้างก็จะดี เนีย่ยก็ต้องอนุรักษณะประทานเพียรระวังรักษาไว้ซึ่งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามอย่าให้มันเสื่อมข้อหนึ่งคืออะไรระวังบาปขึ้นชื่อว่าบาปไม่ทำซะเลยดีกว่าบาปในที่นี้ก็หมายถึงความโรคความกรด ค, ค, ค, ความหลงหรือผิดศีลผิดธรรมผิดวินยัยผิดขนบธรรมเนียมประเพณี อะไรเนี่ยบางสิ่งบางอย่างหรือผิดกฎหมายบ้านเมืองนเนี่ยบาปอย่างนั้นคนที่มาบวชพระต่อไปนี่ต้องสืบสวนหมดอะให้ตัวเองบัตรประชาชนสอบไปทางตำรวจถ้ามีคดีติดตัวอยู่ยังไม่หมดคดีก็ต้อง บวชไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายเขาไม่อนุ ญ, ญาตให้บวชถ้าบวชไปหลวงพ่อก็ผิดอุปชาในผิดผู้บวชก็ผิดอีกเหมือนกันทั้งสองฝ่ายเลยฉะนั้นเราต้องเข้มงวดต่อไปจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ตรวจเช็คทางสถานีตำรวจเอาเลขบัตรประชาชน มีโยมก็ทำราชการอยู่รู้จักหลวงพอ่อก็ตรวจในแป๊บเดียวสารวัตรแม่ลิมก็เหมือนกันสามีเจ้ลุงน่นก็เป็นตำรวจนะที่พานนี่ก็มีเชียงรายก็มีเนี่ยที่ตำรวจเข้ามาบวชกับหลวงพ่อไปเยอะแล้วก็เ็คก็มีหน่วยหน่วยเช็คหน่วยตรวจอยู่เช็กปุ๊ บ, บรู้เลย เด็กประชาชนตัวนี้คนนี้ชื่อนี้สกุลนี้ยังมีคดีติดอยู่ยังต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลอยู่อย่างเงี้ยบวชไม่ได้สองคนที่พ่อแม่ไม่อนุญาตียก็บวชไม่ได้นะสา ม, มีภรรยาแล้วภรรยาไม่อนุญาตเนี่ยก็บวชไม่ได้4สี่ผู้ที่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเขาก็ไม่บวชนะ ติดนี่ติดสินใครอยู่นะพูดพูดไป พ, พูดตามกฎของมหาเถรสมาคมนะที่ไปสอบอุปชามาเขาจะบอกหมดเลยคนประเภทไหนให้บวชไม่ให้บวชคนพิการก็ไม่ให้บวชแขนด้วนขาด้วนหูโหนกตาบอดนี่ไม่ให้บวชหมดเลยก็บวชแล้วมันเป็นภาระต่อาศาสนาไงอายุเลยหกสิบแล้วเขาก็ไม่ให้บวชอีกแหละ เป็นภาระของวัดของศาสนาอีกหน่อยก็จะแต่ละวัดก็จะเต็มไปด้วยพระหลวงพระหลวงหลวงตานนะพวกนี้ขออภัยในพูดตามพระธรรมวินัยนะบวชจนแก่เนี่ยอที่ดีก็มีแต่น้อยมีราธะพรามณ์ก่นั่นแหละนอกนั้นก็ว่ายากสอนอยากมันแก่แล้วเนี่ยมันว่ายากสอนอยากมันไม่เหมือนเด็กๆเกนี่ย ก็จึงไม่ให้บวชต่อไปแล้วจะต้องเคร่งในเรื่องกฎโอมาอเถรเนี่ยนะต้องไปตรวจดูแล้วจะเอาหนังสืออุปชาให้ตัวเอกไปดูอะไรได้อะไรไม่ได้เขามีบอกไว้หมดอ่ะสาหรับญาติโยมในบวชได้สามวันหน้าวันเจ็ดวันเนี่ยเราก็ไม่รู้ไปจากไหนมาจากไหนยังไงเป็นอะไรอ น, นิโยมไม่เป็นอะไรหรอก เราไม่ดีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็กมาจับมาตรวจมาเช็คเองปวดได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นพยายามทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ช่วยกันพยายามช่วยศาสนาช่วยสังคมช่วยชาติบ้านเมือง ช่วยให้ญาติโยมได้รู้จักศีลได้รู้จักธรรมเนี่ยก็ช่วยกันเรียนหนังสือช่วยกันอ่านตำรับตำราเยอะๆไปนะทุกองอะ่ะจะบวชกี่วันก็นแล้วแต่บวชเข้ามาแล้วเราต้องศึกษาเราเรียนบ้างนื<อ>ว่าโกวาดเนี่ยนะต้องเอาแจกทุกองค์นะตัวเอกเนี<อ>่ยต้องแจกให้อ่านแจกแล้วไม่ใช่เอาไปวางไว้เฉยๆนะลูกนะต้องอ่าน ปราชิกสี่เขาว่าอย่างไงบ้างไม่เข้าใจก็ให้มาถามหลวงพ่อสังการทีเศษสิบสามมณยตสองนิสกีสามสปาจิตี้าิบสองปฏิเยตยตจี 4, สี่เสกิวัดเจ็ดสบห้าอธิกรณ ะ, ะสมมถอีกเจ็ดเนี่ยต้องอ่า น, อ ธ, ะ น, ะธนอธิกรณะสมมถเนี่ยคืออธิกรคือมีเรื่องเรื่องของพระมีเจ็ดเรื่องแค่นั้นเนี่ยหนักสุดก็ขับออกจากหมู่ ไม่อยู่ฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้โยมก็เหมือนกันก็ต้องศึกษาเราเรียนมาบวชสาวันห้าวันก็อ่านหนังสือสวดมนต์แปลเนี่ยเอาไปอ่านเลยจะได้รู้ว่าเขาแปลว่าอะไรนโมแปลว่าอะไรทีสวดมาจนสี่สิบห้าสิปียังไม่รู้ว่านะโมแปลว่าอะไรเลย ว่เราไม่ได้แปลกันใช่ไหมล่ะก็ก็ดีก็ยังสวดได้กันแต่ถ้าเราสวดแปลด้วยมันดีสองดีสองเด้งสมมุติเฉยๆหนึ่งได้บุญสองได้ปัญญาถ้าเราสวดแบบไม่แปลก็ได้ได้บุญในองคุณของการบรรลุธรรมมีอยู่ข้อหนึ่งสาธยายมนเนี่ย ก็สามารถบรรลุทำได้เหมือนกันท่องให้ถึงที่สุดท่องให้จิตมันสงบแล้วก็เราท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเนี่ยท่องไปในใจไปวันนี้ไม่สงบวันหน้าก็ต้องสงบปีนี้ไม่สงบปีหน้าก็สงบชาตินี้ไม่สงบชาติหน้าก็ต้องสงบไปต่อชาติหน้าก็ได้ขอให้เราทําเป็นพื้นฐาน ของชีวิตของจิตใจให้เรามีพื้นฐานทางด้านทานศีลภาวนาเ น, นี่ยอย่างน้อยเราก็ได้เปรียบคนที่ไม่รู้เรื่องเลยก่อนจะตายจะได้นึกถึงโอ้เราเคยบวชที่วัดทำพระบวชพระบวชชีนุ่งขาวห่มขาวได้ถือศีลต้องรู้อย่าแม้บอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะ ยิ่งบวช น, น, นานเป็นปีสองปีสามปีเนี่ยสินแปดไม่ได้ก็จบกันเลยลแล้วแล้วบวชทําไมบวชอยู่ถอดได้ยังไงตั้งสามี่ปีแล้วไม่รู้เรื่องศินแปดเนี่ยก็แสดงว่าไม่สนใจสิบางคนนะไม่สนใจแล้วมันจะไปได้เรื่องได้ลาวอะไรลนะแทนที่จะรู้เรื่องรู้ลาวแทนที่จะได้บุญกลับได้บาปก็มันไม่รู้เรื่องมันจะได้เป็นยาอะไรนะ่ะ ต้องเรียนรู้หนังสือก็มีให้เป็นกองๆแล้วเราก็ต้องขยันขยันอ่านตาดีก็อ่านตาไม่ดีก็โทรศัพท์มีก็เทปธรรมะในโทรศัพท์เยอะแยะไปเลือกฟังปฏิคูบาจานหลากหลายเยอะแยะชอบองค์ไหนก็เปิดฟังนั่งฟังยืนฟังเดินฟังไปดินั่นแหะคือการศึกษาเราเรียน สุดตามายปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเนี่ยหลวงพ่อก็ชอบฟังองค์ไหนที่ท่านพูดตรงพูดจริงพูดฟังรู้เรื่องพูดเข้าใจง่ายการปฏิบัติก็ดีปริยัติก็ดีมันต้องไปด้วยกันน่ยเหมือนกับรถไฟมันต้องแล่นสองรางใช่ไหมนะ่ะปริยัติปฏิบัติมันต้องไปด้วยกันต้องรู้ จะบอกว่าโอ้ยผมไม่เรียนน่ะผมจะปฏิบัติอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกมันผิดได้หลงได้เห็นไหมนะเราต้องรู้ด้วยปฏิบัติด้วยเออมันยังจะมีทางเกาะมีทางยึดรู้จักอารมณ์ของตัวเองบันทีเราก็ไม่รู้จักอารมณ์ตัวเองจิตคิดอะไรก็หลงไปนึกว่าใจนึกว่าใจเราความจริงมันไม่ใช่ นึกว่าใจฉันความจริงมันไม่ใช่นึกว่าอารมณ์ฉันความจริงมันไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติต่างนั้นมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแต่ละกล้งแต่ละวันเดี๋ยวความโรคเกิดเดี๋ยวความโรคดับเดี๋ยวความโกรธเกิดเดี๋ยวความโกรธดับเดี๋ยวความหลงเกิดด้วยความหลงดับเดี๋ยวความอิจฉาหรือตจยาเกิดเดี๋ยวดับอะไรเนี่ยเกิดดับเกิดดับหมดจิตแต่ละดวงมันเกิดดับหมดอ่ะมันเป็นของเราที่ไหนอ่ะ ก็อย่าดับนะโกรธเขาสักเดือนหนึ่งนะมันไม่มันไม่ฟังแล้วหรอกมันก็โกรธเวลานึกได้มันก็โกรธเวลาลืมมันก็ไม่โกรธละเห็นไหมเขาเรียกว่ามันเป็นการเกิดดับมันเป็นอาการของจิตเฉยๆถ้าเราเข้าถึงจิตแล้วเราก็เรียนอะไรก็ง่ายท่องอะไรก็จําง่ายถ้จิตแล้วมันสงบฟังธรรมะธรรมโมก็เข้าใจ ก็จิตมันโดนล้างมาในเยอะและ้วล้างเช้าล้างสายล้างบ่ายล้างกลางคืนเนี่ยฟังเทพนี่ซีดีแถบเสียงหลวงพ่อเสริมอีกครูบาอาจารย์ท่านเสริมอีกจะ้มีแต่ได้กับได้คือได้ฟังธรรมะไงเราต้องขยันฟังขยันศึกษาเล่าเรียนขยันอ่านขยัน ค้นคว้าไม่ใช่อยู่กับที่มันจะไปได้อะไรลูกมันจะไปรู้อะไรครับไม่มีมันจึงมันถึงอยู่กับที่ไงมันไปไม่รู้อะไปศึกษาเราเรียนอะไรก็ไม่ได้ไม่เป็นไม่ไม่ชานาญไม่รู้ไม่อะไรมันก็จอดอยู่แค่นั้นอะเก่ยวกับความรู้นี่จำเป็นอย่างหลวงพ่อยังต้องเรียนเลยดยนี้ยังต้องเรียนใช่ไห เราไปต่อปริญญาตรีปริญญาโทอีกที่เชียงใหม่ต่อด็อกเตอร์อีก ห, หมอย่างน้อยก็สามสีป่ปีถึงจะจบด็อกเตอร์ก่นหลวงพ่อเนี่ยเรียนปีเดียวก็จบปริญญาตรีแล้วปีที่สองก็จบปริญญาโทละฝ่ายวิปสัสสนาธุระนะปีที่สามมจบด็อกเตอร์ละ เ็าพื้นฐานเราดีพื้นฐานดีชื่อเสียงการันตีดีชื่อเสียงสำนักปฏิบัติธรรมเราการันตีเขาก็เชื่อเขาก็อ๋อวัดธรรพนานหลวงพอตาวินเนอได้เลยได้เลยดีดียินดียินดีอ ย, ย, ยจะไปกราบท่านครูบาอาจารย์เขาเขาก็าาพูดอย่างเงี้ยคือเขารู้จักรู้จักทางเ c e b o o k ทางสื่อ ชูเพราคนรู้จักมันแค่ง่ายอะไรก็ง่ายอะ่ะจะไม่รู้จักจะยากนี่ที่ไหนเรียนหมปลายไม่ถึงปีให้จบแล้วไหมนะมันง่ายอะ่ะครูเขารู้จักพ่อเขารู้จักอะไรมันก็ง่ายไปหมดฉะนั้นมีใครจะถามอะไรไหมเรื่อง ความเพียรเนี่ยมีใครถามไหมยินดีเย็นทุกขมัเจติบุคคลจะโล่งทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรนะเราขยันขยันประหยัดขยันแบบฉลาดขยันประกอบสมาอาชีวะขยันชนะสิ่งชั่วมั่วตัญหาขยันพูดแต่สิ่งดีมีเมตตาขยันหาความรู้เชิดชูตนเห็นไหมล่ะมาเชิดชูตนได้ความรู้เนี่ย ถ้าไม่มีความรู้เนี่ยก็ต้องเน้นไปปฏิบัติอย่างเดียวเลยเข้าป่าเข้าเหวเข้าธรรมไปอยู่ในป่าชา้าป่าเหวไปอยู่คนเดียวไปคนเดียวอยู่คนเดีย ว, ย น, ยวนั่งคนเดียวฉันคนเดียวอยู่คนเดียวไปเลยอย่างงั้นก็ไปอีกทางนึงเอาหนังสือหลวงพ่อฤาษีดิงดำสมรตากรรมฐานสี่สิบพกไปด้วยจะได้ดูจะได้ไม่หลงทางจะนั้นการปารูพูดคุยเรื่องของ วิริยปารามีก็เห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรก็ขอสมมติจติการเก่าวธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระธรรมจงมาเกิดขึ้นกับท่านผู้ฟังโดยทั่วหน้ากันทุกๆท่านทุกๆคนเธอทุกษาทุกอนุโมทามิ